หลวงพอธรรมะในวันนี้คือเรื่องกรรมและกฎแห่งกรรมหลวงพ่อครับคนในสมัยนี้มักจะปล่อยตนปล่อยตัวไปตามเรื่องไปตามความคิดของตนแล้วก็อ้างตนให้พ้นผิดโดยอ้างว่ามันเป็นไปตามกรรมบ้างตามยถากรรมบ้างและแต่ดวงพาไปบ้างหรือไม่ก็บอกว่าไปตามดวงบ้าง ดังนั้ น, นโอกาสนี้กระผมจึงใคร่จะนมสัส ก, การกราบเรียนถามหลวงพ่อถึงเรื่องกรรมและกฎแห่งกรรมโดยมีประเด็นที่มาของปัญหาโดยย่อดอังต่อไปนี้ครับว่าการสอนเรื่องกรรมและกฎแห่งกรรมในสมัยนี้มีความสับสนอยู่มากและต่างก็อ้างเอาว่าคําที่ตนกลาวตนสอนนั้นเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยกันทั้งนั้นอย่างเช่นสอนว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดี อย่างใดอย่างหนึ่งที่บุคคลได้เสวยผลหรือทั้งหมดนั้นเป็นเพราะกรรมที่ตัวทำไว้ตในปางก่อนหรือในชาติปางก่อนดังนั้นการจะพ้นกรรมได้ก็จะต้องบำเพ็ญตบะแล้วไม่ทำกรรมใหม่อีกดังนี้เป็นต้นซึ่งก็เท่ากับว่าสอนกันว่าวิธีที่จะพ้นทุกข์ได้นั้นจะต้องมาทำสมถะให้แก่กล้าเป็นตบะสิก่อนแล้วก็บังคับตนเองอยู่อย่างนั้นไม่ต้องทาอะไรกันเลย ทั้งๆที่คําสอนเช่นนี้แม้แต่ในพระบาลีในพระไตรปิฎกเองก็มีกล่าวเอาไว้ว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่าคําสอนเช่นนี้เป็นวาทธาของพวกนิครณเป็นทิฏฐิของพวกนิครณไม่อาจจะร่วมทนจักความทุกข์ได้ดังนี้ต้นต้นนอกจากเรื่องที่กระผมได้ยกมาเป็นตัวอย่างนี้แล้วผู้เทศผู้สอนสาศาสนาในปัจจุบันนี้ก็ยังมีทิฏฐิมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของกรรมและเรื่องกฎแห่งกรรม ไปในลักษณะอื่นอื่นอีกมากมายดังนั้นกระผมจึงใคร่จะกราบเรียนถามความเห็นของหลวงพ่อก็อให้หลวงพ่อได้โปรดกรุณาอธิบายถึงงายมุมต่างต่างตัองต่ไปนี้ด้วยเพราะว่าน่าจะเป็นประโยชน์แต่มหาชนเป็นอันมากคำถามได้แก่ข้อที่หนึ่งกรรมคืออะไรข้อที่สอง กฎแห่งกรรมในทางพุทธศาสนามีว่าอย่างไรข้อที่สามอะไรเป็นเหตุให้กระทำกรรมข้อที่สีวิธีดัด ก, กรรมทำอย่างไรข้อที่ห้าเป็นอยู่อย่างไรจึงจะเรียกว่าอยู่เหนือกรรมครับผมข้อที่หกุทุชนจะอยู่เหนือกรรมได้หรือไม่นอกจากคำถามโดยตรงดังกล่าวข้างต้นแล้ว ก็ยังมีคำถามข้านเคียงที่อาจจะถูกสงสัยได้อยู่อีกเหมือนกันแต่ผมจึงใยายามขอความกระจ่างจากหลวพ่อเกี่ยวกับลักษณะของคำถามข้านเคียงกันต่อไปนี้อาทิเช่นข้อที่เจอย่างการนั่งสร้างจังหวะยกมือไปเอามือมาอย่างนี้เป็นต้นนั้นจะถือว่าเป็นการกระทํากระทํากรรมหรือไม่ครับผมและข้อที่แปดซึ่งเป็นข้อสุดท้ายในครั้งนี้มีคําถามว่า การเป็นอยู่ของสัตว์การดำรงชีพของสัตว์ถือว่าเป็นกรรมหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นการที่แมวกินหนูหรือว่าพรหมเข้าฌานทำสมาธิได้สมาบัติดังนี้เป็นต้นขอความปรินาหลวงพ่อได้โปรดให้ความกระจ่างด้วยจะเป็นประคุณลิ่งครับผมวันนี้คุณสัจพันธ์พ่อเมื่อคณะ ไม่มาถามปัญหาและข้อสงสัยต่างๆนั้นอาตมาก็ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนอะไรมามากพวกคุณเคยศึกษาเล่าเรียนจนถึงได้ทำงานอยู่ในสถานทูตในเมืองไทยบ้างต่างประเทศบ้างเคยประสบการเหตุผลมามากจึง อาจามาไม่มีขมรู้การจะตอบปัญหาของพวกท่านนั้นอาจจะพลิกแนวความคิดของท่านก็ได้หรือจะตรงกับแนวความคิดของท่านก็ได้คำว่ากรรมกรรมนี้ขมคิดคมเห็นแต่ก่อนนั้นนึกว่ากรรมจ้องได้เสวยผล บากมันอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นมันเป็นธรรมดาแนวความคิดของอาตมาเมื่ อ, อยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจตัวคิดไปอย่างนั้นต่อเมื่อมาเข้าใจดอกกรรมคือการกระทํานั่นเองจะทําดีทําชั่วก็เป็นกรรมจะตอบได้เป็นเพียงหัวข้อ ส, สนุกกรรมคืออะไรพวกกุณฑกรรมคือการกระทํานั่นเองทําดีก็เป็นกรรมทําชั่วก็เป็นกรรมกรรมดีกรรมชั่ว ทำดีทำชั่วเนี่ยเป็นเพียงหัวข้อประเด็นสั้ น, นกฎแห่งกรรมมันเนี่ยในทางพุทธศาสนามีว่าอย่างไรกันกฎแห่งกรรมคือการกระทำนั่นเองเป็นกฎของธรมรมชาติธรมรมชาติมันเป็นอยู่อย่างนั้นจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ ได้เป็นบางสิ่งบางอย่างแต่สกฎของธรรมชาติจริงๆแล้วมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งคำว่าธรรมชาตินี่เราจะเห็นว่าซากคือเกิดแก่เจิดตายอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นกฎของธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งเมื่อกฎแห่งกรรมกรรมคือการกระทากฎของธรรมชาติมันเป็นกฎอันหนึ่งที่ตายโจลงไป เป็นอย่างนั้นในทางพระพุทธศาสนามีว่าอย่างมีไววักลวดต้องศึกษาและปฏิบัติให้รู้จักกฎของธรรมชาตินั้นบางคนพวกที่เรียนหนังสือมาวอกกฎของอิทัพปัจจัตาบทหะไรอย่างนั้นอย่างนี้อาตมาไม่รู้เรื่องนี้อาตมาไม่เข้าใจจริงๆดังนั้นจึงว่าเรื่องผมเห็นเป็นทิฏฐิ แม้เคยได้ยินครบาอาจารย์เล่าให้ฟังในประเทศอินเดีย ม, มีหลายละทิมีหลายนิกายบางละทิบางนิกายก็ว่าให้ว่าทุกทุกละทิทุนิกายนี่แหละไม่ต้องว่าดย่างกว้นย่างฝ่ายพื้เห็นพระพุทธเจ้าเป็นทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิเช่นเดียวกันพราะควมเห็นมันไม่ตรงกันเนี่ป็นอย่างนั้น